พระธรรมเทศนาแผ่นที่111ดลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่า น, นาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่23พฤษภาคม2560มีชื่อเรื่องว่าจะทําความชั่วคิดดีหรือยังคณะทศไทยญาติโยม มีอะไรเกิดขึ้นในกลุ่มของเราเหลวงพ่อในฐานะที่เป็นหัวหน้าและเป็นหัวหน้าประธานสงฆ์ที่นั่งเป็นหัวแถวนะถึงจะไม่จัดว่าเป็นหัวหน้าก็นั่งหัวแถวมีอะไรเกิดขึ้นพวกเราก็จะได้รับรู้รับทราบร่วมกันทั้งดีทั้งเลวเลวก็ควรจะแจ้งให้ทราบดีก็ควรจะแจ้งให้ทราบเลวคืออะไร เมื่อมาข่าวที่แล้วน่ะนักข่าวน่าจะทายาโยมลูกลานอมีขโมยมาขโมยยามคองพระนะแต่หลวงพ่อยเองก็ไม่อยากจะว่าขโมยดอกกระคงจะแบบหลวงปู่จามว่านะเอยเขาเอาเขาเอาพระเขาอาไปใช้น่ะเขาเอาไปทิ้งดอกสว่างกันนะเอออันนี้สับหลวงปู่จามนะเอแต่ว่าเอของมันหาย เมื่อหลวงพ่อมาเมื่อวันที่แปดที่ผ่านมาเดือนพฤษภาเนี่ยมักจะจำหลวงพ่อจําไม่ผิดนะแต่ของที่เขาเอาไปเขาคงจะเอาเนี่ยนะของในย่ามก็คงเอาไปใช้อย่างที่หลวงปู่จามพูดนั่นแหละแต่ว่าเอกสารเขาก็ยังมีน้ำใจอยู่นะเขายังส่งใส่ตู้ไปชนียังมีน้ําใจอยู่เอาใส่ตู้ไปชนีเสร็จแล้วไปชนีเขาเห็นเอ้ออันนี้มันขโมยเนี่ยฮะ เออใค้บอกเขาเคยเห็นมาแล้วอย่างนี้เขาก็เลยเจ็บเอกสารทั้งหมดทั้งใบจดที่ทั้งทะเบียนบ้านทั้งบัตรประชาชนของพระน่ะเออแล้วก็นี่ะใบต่างๆของพระเขาเลยใส่ซองขึ้นไปส่งไปทางอุดดอนทางอุดดอนก็เห็นอุนิเอกสารในวัดป่านนะคำน้อยเนี่ยเขาก็เลยส่งเข้าไปก็ได้รับครบหมดทุกอย่างนะแสดงว่าขอบใจขอบใจทักเงอยู่งั้นเออ แต่พอของในยามของดิบของดีอะไรก็ไม่ทราบลกรอดกหินผ้าเหล็กไหลอะไรก็ไม่ทราบของเ้าหลวงพ่อก็ไม่กล้าถามเหมือนกันดูงนมีอะไรบ้างฮะเพราะเป็นเรื่องของยามของส่วนตัวของเขาอันนั้นหายหมดนะเกี่ยงฮะแต่ทีนี้หลวงพ่อก็เลยมาบอกกับคณะกรรมการกับนะคุณชายนี่แหละและกับคณะกรรมการพวกเกี่ยวข้องเออถ้ามันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้น พวกท่านทั้งหลายจะพิจารณาอย่างไรเพราะในในไอ้ก้อนวงก้องวงกล้องวงจอปิดตัวนั้นนะมันบอกไปถึงตัวนั้นเป็นพระนะอแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเขาว่าไม่น่าจะเป็นพระอแต่ใส่ชุดยูนิฟอร์มพระนะเอถ้าเป็นพระแล้วคงจะไม่ขโมยใช่ไหมเอเป็นพระจะขโมยได้อย่างไรไยได้ไหมอันนี้ก็คงจะไม่ใช่พระนะ คงจะใส่แบบยูนิฟอร์มปงผมแล้วก็ใส่ผ้าเหลืองเหมือนกับนายพนใ น, ในชาดกที่หลวงพ่อได้พูดในชาดกให้ลูกหลานฟังนายพนจะไปยิงช้างป่าช้างพระโพธิสัตว์อยู่ในป่าเป็นหลายร้อยหลายพันตัวแต่นีพภาพช้างกลุ่มนั้นเขารบพระประัจเจ้าใช่ไหม พอเห็นพระปฏิเจรตในช้างฉะนั้นกลุ่มนั้นจะประน ม, มือนั่งคุกเข่าทั้งหมดเลย เ, เขารบพระปฏิเจรตแต่นี่นายพรานไปเห็นโอถ้าหากว่าเราได้ผ้าพระปฏิเจรตมาในช้างมันคงจะเขารบเราลงคงจะยิงช้างได้ใกล้กว่า น, นี่นะมันวางแผนกันคนละแนวนี่นเองจากนั้นก็พระประเจรตลงไปส่ ง, สงน้ําในสระใช่ไหมในสระน้ําก็คงท่านอยู่องค์เดียวนะอพอ พระปเจกคงไปส่งน้ำในสารนายพานกับปูบปรับไปก็ได้ภาพเจี๊ยวันกับมู้นหม้อเด็กหอบนี้เลยว่าไงแต่ขโมยภาพาพระประเจกเห็นไหมนะเนายพรานเนะี่ยไม่ใช่พระนะนายพรานว่าไงพอเสร็จแล้วก็เน่ยได้ภาพพระประเจกพวกเราก็เป็นนั่งอยู่ใกล้ทางช้างมาใช่ไหมพอช้างมาก็จะแสดงความเคารพพอไปเห็นภาพพระประเจกใช่ไหมนะมันก็ไม่รู้ว่า น, นี้คือพระประเจกจริงพระประเจกปลอมใช่ไหม ก็เคารพพอตัวสุดท้ายมันตัวเป็นงาใช่ไหมมันมาตามช้างงามนจะมาตามหลังหมู่พวกเพื่อนนะพอเห็นช้างงาท่านนั่นนะปล่อยลูกธนูอาบด้วยยาพิษอย่างแรงในะส่เพิดเข้าไปตัวไหนก็ตัวนั้นแหละพอตายตัดเอา ง, งามันเสร็จแล้วก็ตรงนี้ไปนั่งที่อื่นอีกอยู่ห่างๆนะจนผลที่สุด พระโพธิษัต์คือพระพุทธเจ้าเอช้างงาของเราเนี่ยทำไมล่อยหล่อหายไปเออมันห ม, หมดไปหมดไปมันบางตาเราเนี่ยว่ามันมีอะไรนะเอเราสงสัยเอยเน่นแหละพระปัจเจนึกองค์นั้นแหล ะ, ะที่นั่งอยู่ข้างข้างทางนะ เ, เราจะต้องต้องสังเกตดูละ แต่เ่ยพระโพธิสัตว์ท่านฉลาดใช่มเป็ถึงจะเป็นช้างก็เป็นช้างที่ฉลาดที่เป็นคนของคนฉลาดที่เป็นหมาก็หมาฉลาดเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเพราะใจของท่านฉลาดใช่ไหมเออแต่เนี่ท่านก็ลบร่มร่ำร่องมองมาแบบระเบียงระวังอะไรกันนะเออพอมาใกล้ๆกันพระประเจกป้อมอะไรกัโป๊ะป้าบลุกมาม้วนผ้าอลไรไปเทงผ่านเยว่เตรียมนหนูออกมายิงเลยมัน อพอยิงไปพระโพธิสัตว์ท่านเตรียมพร้อมจะจะหลบลูกศร อ, อยู่แล้วใช่ไหมนะสายเปิดเข้าไปกับพระโพธิสัตว์เป็นช้างเน่ยหลบลูกศรพัดช้างเนี่ยกระโดดเข้ามาอย่างแรงเลยตะปบไปงั้นแต่เหยียบไปงั้นแต่หยกเะยกให้อยู่เลย เ, เพราะว่ามันจะยิงลูกที่สองมันยิงไม่ทันเลยช้างเร็วกว่าเอจากนั้นตบปบช้าง เอาไปเจกปลอบนี่ยเกิ น, นายพรานก็อยู่หมัดเลยทีนีน้พระโพธิสัตว์บอกว่าเธอทํำยังไงเธอทําอย่างนี้ถ้าเราไม่เห็นแก่ผ้าผ้ากาสาวพัดธงชัยของพระอรหันนะข้าจะต้องเยียบเธอให้แหลกในวันนี้แต่นี่เราเห็นธงสัตว์ธงชัยคือผ้ากาสาวพัด ท, ทาไมจึงเอาผ้ากาสาวพัดมาคุมตัวเธอเป็นพาลชนเป็นคนที่หยาบหนา ที่สุดแต่ทาไมจึงเอาผ้าป่ากาสาวพัดมาคุมตัวอย่างนี้ไม่สมควรอย่างเย่งอย่าทํเองนะถ้าคืนทำเนี่ต้องตายลูกเดียวนะแล้วนัขูลักษณะอย่างนั้นนะจากนั้นเนี่ยพระทิษณ์ก็เยยบพวกถนงธนูอะไรให้แหลก เ, เขาเลยปล่อยใ น, ในอนผ่านในออกไปท่านไม่ได้ฆ่านะ่ะเพราะท่าน ท่นเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมล่ะนี่แหละเพราะนายผานคนนั้นก็คงจะลาบตดยหายห่วงมากคงจะไม่เข้าป่าอีกมาก น, นี่แหละถ้าจะว่าไปแล้วถ้าว่าเป็นพระก็คงจะไม่ข้าโมยหลวงพ่อว่านะ อ, อ่อันนี้มันคงจะเป็นภานลชนนะออปลอมแปลงตัวเข้ามาในหมู่พระแต่หลวงพ่อบอกเออให้พวกเราช่วยๆกันดูนะ เพราะว่าหลักของพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเมื่อมีการทําความผิดขึ้นมาเมื่อมีการทําความผิดขึ้นมาในชุมชนสังคมท่านก็เรียกประชุมสงฆ์พระสงฆ์ที่ทำผิดนะท่านก็เรียกประชุมสงฆ์จากนั้นก็บัญญัติวินัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภิกษุใดก็ตามาทําอย่างนี้ปรับอาบัติอย่างนี้ อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยนี้ก็เหมือนกันนะถ้าว่าเรามีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเราก็ควรจะเรียกประชุมในกลุ่มในหมู่ในคณะของเราเจากนั้นก็ตั้งกฎกติกากันขึ้นมาเออเอาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะเป็นพระองค์ใดก็ตามเข้ามาในวัดในสวนแสงธรรมของเราเนี่ยมาในกลุ่มท่านผู้ใดท่านผู้ใดรู้จักบ้างาพระองค์นี้บ้านตาโรไหม หลวงพ่อสามองรู้ไหมเล้วองค์ไหนรู้ถ้าองคไหนรู้ก็เออเอาก็รู้ถ้าองค์ไหนไม่รู้ผมไม่รู้พระองค์นี้มาจางไงหอแล้วก็ควรจะให้คนวัดของเราเน่ยทายยกของเราที่หลวงพ่อบอกเสนอคือท่านเป็นอผู้กํากับหรือท่านเป็นหัวหน้าสันติบาลอยู่แล้วใช่ไหมก็ให้ท่านเข้าไปถามดูเออท่านมาจากไหนท่านมีใบสุทธิไหมท่านเป็นพระจริงหรือพระปลอม ควรจะควรจะเช็คอย่างนั้นเพราะมันมีเหตุแล้วนะแต่ถ้าาว่าเราปล่อยปะละเลยไม่ได้สนใจเลยตระกูลของเราเนี่ยก็คงจะล่อยหลอพวกเราเข้ามาเนี่ก็คงวัดพระวาอีกเหมือนกันโอ้โหสวนแฉ่งทมโจรผู้ร้ายเต็มวัดไปหมดเลยเราไปวางกระเป๋าไว้ที่ไหนก็หายเอาหายเอาเนีเสียหายอีกเลยเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาท่านบอกว่าตระกูลอันมั่งครั่งไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถานสีหนึ่ง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 ต่อไปของก็จะหายไปเรื่อยนะเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ใส่ใจถ้าเราใส่ใจมันหายคราวนี้นะอ้าวตัง้งคณะกรรมการกันขึ้นมาดูแลสิวะแอมมันมาอย่างไรหายอย่างไงเปิดกล้องวงวงว ง, งจรปิดนะแต่คุณชายถ้าอาจะเพิ่มเอ่อเพิ่มกล้องวงจรปิดให้ดีที่สุดนะท่านว่าประมาณแสนสองนะถ้าผูดด้ใดอยากเอ่อเอ่เออยากจะร่วมคุณชายก็ยังได้นะนี่ แสนสองกล้องวงจรปิดจะติดอีกหลวงพ่อก็เห็นด้วยนะขณะะาธิญาติโยมเพราะความปลอดภัยของพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละไม่ใช่อื่นไกลนะไม่ใช่ของคุณชายนะเป็นของพวกพวกเราทุกคน น, ะนี่แหละถ้าว่ามีกล้องวงจรปิดนะที่ดีชัดเจนเราก็คงจะรู้รายว่าใครเป็นใครนะอันนี้ก็พอฝากไว้กับพวกเราทุกทุกท่านนะแต่หลวงพ่อเองในฐานะที่ว่าเป็นหัวหน้าหรือเป็น เออหัวราแถวอย่างนี้หลวงพ่อมีแต่แนะนําบอกกล่าวท่านเองกระชุดแล้วแต่พวกเราเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีความรอบคอบแต่จะให้เอาตับปรับไหมใส่โทษพอไหมเราก็ไม่ควรจะทําถึงขนาดนั้นนะแต่วควรระมัดระวังต่อแตนมันต่อยเราเราจะไปทําร้ายทำร้ายมันก็ไม่ถูกหมามากัดขาเราเราจะไปกัดขาหมามันก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะ แต่ถึงยังไงเราก็ต้องระเวียงระวังหมามันจะมากัดเราก็จะมีแต่พดมีแ ม, ม่ไม้เรียวฮะเตียงพอมันจะมาเราก็จะต้องป้องป้องกันตัวเองนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละการพูดทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อไม่ให้ไปทำร้ายทําลายไม่ให้ใส่ปั๊บไมายใส่โทษนะเพียงแต่ว่าป้องกันป้องกันพวกเราอย่าให้มันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอีกเท่านั้นเองนะและก็วันนี้เป็นวันที่23า พฤษภาคมพุทธศักราช2560ลงพ่อลงมาตั้งแต่วันที่22นะคณะสตรายาตโยมวันที่11นะลงมาวันที่22ไปฉันที่จิตโพชนาปากเมื่อวานอาพอเสร็จแล้วลงพ่อกนะเนไปตรวจสุขภาพไปตรวจตาเมื่อกันนะลงพ่อกันะลงพ่อก็มีตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันนะลูกหลานาไปตรวจ รัตนินจากรสุที่เป็นลูกศิษย์ทุกหาโคงองค์ลงตาโอ้ไปตัวใช้เวลานานกลับมากะค่ําเมื่อวานแต่วันนี้ก็ามากอดฉันที่สวนแสงธรรมนี่แหล ะ, ะแล้วก็หลวงพ่อเองอยากจะพูดกล่าว เ, เรื่องราวอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่ามีอะไรหลวงพ่อจะพูดให้ฟังเพราะเดือนมีนาหลวงพ่อก็ไม่ได้ลงมาพบศรัทธาญาติโยมเพราะงานของคุณแม่ฉีแก้วใช่ไหมอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนา แล้วก็วันเดือนเมษายนอีกเป็นวันเกิดของหลวงพ่อเขาไม่ได้ลงมาแล้วก็เดือนพฤษภาหนะลวงพ่อเขาลงมาแบบประเดียวประเหลาแล้วก็กลับขึ้นไปแต่คราวนี้ได้พบกับสัทายาญาติโยมแล้วหลวงพ่อก็จะพูดจะกล่าวให้ฟังเอ อ, เ, อ, อเรื่องกิจกรรมออลูกศิษย์ลูกหาขององค์ดวงตาเพราเราเป็นลูกศิษย์ลูกหากรงตาใช่ไหมออมีอะไรเกิดขึ้นไหมแล้วก็วันที่30นะสนี่ยัทยาญาติโยม เป็นวันทำบุญเปิดโล ก, กระถาตของหลวงตาได้อย่าลืมประจําปีนะแต่ก่อนก่อนอื่นอย่างอื่นเองนะอย่างอื่นอีกก็คือเนี่เจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเพราะว่าหลวงพ่อลงมาทีไรหลวงพ่อไม่ได้ไปพูดในที่สาธารณะไปแสดงธรรมที่ไหนกลุ่มใหญ่หลวงพ่อก็ไม่พูดนะเพราะว่าไม่ใช่สิทธิ์ลูกหลวงตาที่แท้จริงลุกศิษย์หลวงตาที่แท้จริงกันเองนะจิตโภชนาภาคด์เนี่ยหลวงพ่อก็าเลไปพูดที่นั่น ออกจากที่นั่นก็มาพูดที่สวนแสงธรรมเพราะเป็นสิทยิ์ญาติสิทธิ์ขององค์หลวงตาคนจะได้รับรู้รับทราบในเรื่องราวแต่างๆที่เกี่ยวกับองค์หลวงตาเพราะนั้นหลวงพ่อจะได้เรียนให้พี่น้องคณะทรไทยญาติโยมได้ทราบนะเรื่องเสาเข็มกับพวกเราก็ได้ทุ่มเทช่วยกันนะทราบว่า เ, าเราจะ ต, อ ก, ตอกเสาเข็มทั้งหมดก็ 1,251 อาต้นแต่พอตอกลงไปแล้วมันหัวเฉียง ใช้เสียงขวาบ้างเขาเลยตอกเพิ่มไปอีกรวมเป็นทั้งหมด 2,255 ต้นนะเพิ่มขึ้นอีก4ต้นนะแต่เกล่าวกากะที่แรกว่า ป, ประมาณ32ล้านนะเพราะอะไรเพราะมันเสายาว21เมตรนะแต่พอตอกไปจริงๆ19เมตรก็มี18เมตรก็มีเป็นบางส่วนเพราะมันเจอหินข้างล่างนะมันแน่นแล้็ต้องลดลดลดเสาลงนะ พอได้สุดก็ได้ใช้เงินประมาณสอง29ล้านกว่าบพวกเราถ้าฟังวิทยุนะทางบ้านตากเขาคงจะชี้แจงให้ฟังอยู่อาทิตย์ที่แล้วนี่นะแต่หลวงพ่อก็จําไม่ตัวเลขไม่ชัดแต่ไม่ถึง32ล้านนะเรื่องก็ตอกเสร็จเรียบร้อยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วจากศสเข็มนะแต่พอเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ประกวดราคาเล ย, เลยก่อนหน้านี้เขาก็พอเสร็จแล้วก่อน บริษัทตะตนเฮนเนี่ยบริษัทคอนซาบริษัทควบคุมงานการก่อสร้างพระเจดีย์ของหลวงตาเนี่ยที่พัดถึงพ่อสุดใจกับคณะกรรมการเขาวาดย่างบริษัทเนี่ยมาคุมงานสร้างพระเจดีย์ของหลวงตาเนี่ยอันนี้เซ็นสัญญากันแล้วนะลูกหลานคณะสถ า, าญาติโยมนะสิบล้านหแสนเนี่ยอันนี้คือเซ็นสัญญากันจะใจ่ายให้เขาเป็นเดือนๆือนนะแต่ี้เขาก็มาเข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็มาช่วย ดูแลแปลนดูแลควบคุมการตอกเสาเข็มอะไรทุกอย่างนะนสรุปแล้วก็เป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการทีเดียวเลยเพราะโอ้ถ้าหากว่าไม่มีบริษัทเข้ามาทํางานจุดนี้น่ะเหมือนกับพวกเราตาบอดใช่ไหมเพราะพวกเรากเนี่ยหลวงพ่อก็เห็นแต่อยู่ในบาทเท่านั้นเองนะแต่เฉลียฉลาดอย่างอื่นหนะลวงพ่อกัน่ึงนะ ง, งูปลาถ้ามีคนมาทํางานให้ช่วยจุดนั้นก็เออมีประโยชน์นะนี่แหละอันนี้ก็คือจุดหนึ่งจากนั้นเขาก็รวบรวม เอกสารแล้วก็หาบริษัททั้งหมดเขายื่นไปทั้ง10บริษัทนะคณะสายาญาต์โยมลูกหลานนะบริษัทกิใหญ่ในกรุงเทพมีอิตาเลียนไทยนะพวกนี่แหละทำถนนในลายใหญ่ๆในกรุงเทพนี่แหละนะพอในสุด เ, เขายื่นไปแล้วก็มีผู้ยื่นกับสนใจมามีอีกหกบริษัทนะแต่บริษัทสัตว์นึ่งยื่นไม่ทันแต่บริษัท5บริษัทนะยื่นทันนะาจากนี้ก็ พอได้รับแล้วเขากจะยื่นที่แรกก็จะยื่นวันเปิดวันที่8นะมันไม่พร้อมนะเขาก็เลยเลื่อนไปจะเอาวันที่1 5บ6แต่มันเป็นงานของหลวงปู่วัดโพเขาก็เลยเลื่อนไปวันที่18นะพอเลื่อนไปวันี่สิบแปดเขาก็รับทั้งหมดเขาก็เปิดซองแ ล, ล้วพอเปิดซองราคากลางเท่าไหร่ที่จะต้นเห็นคิดขึ้นมาแล้วบริษัทที่ยื่นเข้ามาเท่าไหร่แต่ทราบทราบข่าวนะลูกหลานคณะสทาญาทโยมต่ําสุดเนี่ย ห้าร้อยสี่ร้อยเก้าสิบสองล้านนะต่ำาสุดนะสงงสุดในห้าหกบริษัทแปดร้อยล้านนะที่เขาที่เขาตีราคาออกมาแต่นีนทางนี้คณะกรรมการก็รับทั้งหมดอพอรับทั้งหมดก็กำลังคิดกันอยู่เนี่ยวันที่ยี่สิบสี่คือวันพรุ่งนี้แหละจะมาลงมากรุงเทพนะนี่คณะกรรมการทั้ง ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เขาแต่งตั้งมาเนี่ยนะทั้งโยธาทั้งอธิบดีทั้งอะไรทั้งคณะกรรมการของวัดด้วยมาประชุมหารืรอกันที่กรุงเทพอีกทีหนึ่งจะเรียกบริษัทที่จะเข้าทำงานเนี่ยมาปรับเรียกว่าปรับฐา น, นทำไมคุณคิดแพงคุณคิดผิดหรือคุณคิดถูกคิดตัวไหนเข้ามามันถึงแพงขนาดนั้นคิดถูกทำไมคุณคิดถูกทาไม คุณคิดถูกเนี่ยคุณจะทํางานได้ไหมยังไม่ขาดทุนเหรอคิดดีหรือยังเยอันนี้คือว่าปรับฐานนะวันที่ยี่สี่คือปรับฐานพอปรับฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นที่เข้าใจกันจากทั้งวันที่ให้เขาไปคิดใหม่อีกเมื่อปรับฐานแล้นะเนออี่ยโอ้โหเราคิดผิดจริงเนะีแล้วเขาคิดใหม่อีกพอมีเขาก็ไปยื่นมนที่ยนะี่สิบแปดนะพอถึงยี่สิบแปดได้ก็คณะกรรมการก็รับได้พอรับมาเขาเอออนนี้ แปลว่าบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยเขาจัดการอย่างนี้แล้วนะจากนั้นเขาตกลงอย่างนี้แต่ละบริษัทคณะกรรมการก็มาเปิดซองพอเปิดซองก็รู้ว่าบริษัทไหนแพงถูกอย่างไรเอาลงคะแนนคณะกรรมการทั้งนั่นทั้งรองผู้ว่าทั้งอะไรคณะกรรมการทั้งสิบกว่าท่านลงคะแนนกันว่าเราจะเอาบริษัทไหนถ้าบริษัทไหนมีคะแนนมากเนะ่ใน ในพวกกลุ่มวิศวกรรมวิศวกรทั้งโยธาทั้งสถาปนิกลงคะแนนกันแล้วนะ เ, เขาก็เลือกบริษัทนั้นหลังนี้เมื่อบริษัทแล้วนะเขาก็เรียกบริษัทนั้นเข้ามาเออบริษัทของคุณเนี่โชคดีพวกละคณะกรรมการลงมติว่าท่านเนี่ยจะได้รับในการก่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตานี่นะแล้วเมื่อคุณเข้ามาเอาคุณจะดําเนินการยังไง คุณจะมีคุณมีวิศวะกี่คนมีสถาปนิกกี่คน่คนจะทํางานกี่วันเงินอะไรแล้วจะแบ่งเป็นกี่งวดงวดละเท่าไหร่เดือนละเท่าไหรกันแบ่งงานกันเลยพอรู้แล้วก็เขาก็ตกลง ก, กันได้นะแล้วก็เซ็นสัญญากันเซ็นสัญญาวันที่ยี่สิบเก้านะแล้วก็วันที่สามสิบวันเปิดโลกกระเทาะจากนั้นเขาก็ประ ก, กาศ อ้าวพี่น้องประชาชนสิทธิวนุสิทธ์ขององค์หลวงตาทุกก่ทุกค น, กคนรับรู้รับทราบร่วมกันนะทั้งฝ่ายสงฆ์ทั้งฝ่ายจัดถา ย, ยาติโยมแล้วก็เนี่ยในบริษัทนี้ล ะ, ะจะเป็นผู้มารับเหมาก่อสร้าง เ, เงินที่จะว่าจ้างเนี่ยอยอดจุธิในเงินว่าจ้างเนี่ย เ, เป็นเงินเท่านี้นะแต่ใช้เวลา24เดือนอในการทำงาน แล้วก็อีก12เดือนเป็นการตกแต่งให้เรียบร้อยสรุปแล้วก็คือจะใช้เวลาอยู่36เดือนนะเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตางที่นี่แหละเมื่อหลวงพ่อได้รับรู้รับทรา บ, บแล้วีเงินมันยังมากน้อยแค่ไหนเพียงพอไหมที่หลวงพ่อช่วงนี้หลวงพ่อไม่เกี่ยวข้องนะที่หลวงพ่อพูดเป็นคุ้งเป็นคุ้งเป็นแควให้คณะสัตยาญาติโยมได้ฟังนะ่ยเพราะหลวงพ่อติดตามอยู่ตลอดนะ ติดตามอยู่ตลอดว่าคณะกรรมการเขาเดินกันยังไงเขาทํอยากันยังไงหลวงพ่อเข้ามาพูดมากล่าวให้ลูกศิษย์ลูกห า, ธธาตจต่าญาติโยมที่หลวงพ่อได้มาพูดอย่างที่หลวงพ่อพูดเบื้องต้นอ้าเราเห็นด้วยมไหมหการสร้างเจดีในเมื่อเดินเจดีผ่านไปถึงไหนเดินไปถึงไหนเนี่ยหลวงพ่อยังมาชี้แจงให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบอย่างที่หลวงพ่อได้เรียนให้ทราบนี่แหละจากนั้นทางเงินมันยังไม่พอพวกเราก็เงี่ยงหูฟัง หลวงพ่อเองจะอจะประกาศเออศทธา ญ, ญาติโยมเออเจดีย์ JD ของหลวงตาของเราเนี่ยยังขาดอยู่ประมาณเท่านี้เท่านั้นเนอะแต่ไม่ให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งหนักใจใครจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ อ, อพอทําก็ดีเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเราหลวงตาหลวงตามีคุณูปปากรกับเราเท่าไหรออ่อย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเต็มหัวใจเ อ, อแนวขององค์หลวงตา อ, อ เพราะคุณขององค์หลวงตาเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็คงจะช่นเดียวกันกับหลวงพ่อนะเอาช่วยกันนะคนละไม้คนละเมือนลูกหลานนั่นหลวงพ่อจะระ ด, ดมอีกที่หนึ่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเอาหลวงพ่อสุดใจเป็ น, ป, น, ป, นประธา น, นการเปิดบัญชีหลวงพ่อบำรุงหลวงพ่อบัณฑิตเอาพระบรรดาสาองค์เป็นพระผู้ใจเอาคณะทัดทายญาติโยมห้าหกเจคนเปิดบัญชีขึ้นมา เ, าเพื่อหาทุน ที่จะขาดโย่หลวงพ่อจะประกาศอีกนะคณะศทศไทยญาติโยมให้คอยฟังในจุดนั้นนะเนี่แหละอันนี้ก็คือเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาแต่วันนี้วันพรุ่งนี้นะหลวงพ่อจะได้เดินทางในะคณะศทศไทยญาติโยมถ้าพูดก็ต้องพูดให้จบโดดจบพอดนะหลวงพ่อจะไปฉันที่สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็จะจน่าจะได้เดินทางไปอินโดนีเซียนะก็มีพระอย่างที่มานี่แหละ ทั้งหมดพระทั้งหมดมีอยู่9องค์ต้องที่จะไปนะแล้วก็สัทธา ญ, ญาติโยมอีก6ถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดนะจะเดินทางไปอะไรหลวงพอนะ่อคือไปเมื่อปีที่แล้วก็เห็นสัทยา ญ, ญาติโยมพี่น้องชาวอินโดนะเป็นผู้ใฝ่ในการบุญการกุศลในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราควรจะเข้าไปพูดไปเกี่ยวแต่อินโดนีเซียก่อนนะ ผู้ที่นับถือพุทธศาส น, สนาทวาไปและมีน้อยนะสตาญาติโยงอาจจะไม่ถึง 10% อเซของของประเทศของเขาแต่ประเทศของเขาเป็นเกือบ300รอล้านนะมากกว่าประเทศไทยของเรานเพราะนั้นเราหลวงพ่อไปเขานี่กันนะไปดูพี่น้องประชาชนเขาเห็นเขาแล้วโอ้รู้สึกว่าอบอุ่นนะถึงจะเป็นคนกลุ่มน้อยก็เข้มแข็งแข็งขันนะที่ เ, เกี่ยวกับพุทธศาสนาเพราะมันคงจะเป็น วิญญาณเก่าดวงใจเก่าดวงวิญญาณเก่าที่เขาเกิดอยู่ยุคสมัยโบรุกุโธหรืที่สร้างโบโลพุทโธคงจะเป็นคนหลายล้านในสมัยนั้นตายแล้วพวกนั้นท่านเหล่านั้นยังไม่พ้นทุกข์ใช่ไหมล่ะยังมีกิเลสอยู่ใช่ไหมตายแล้วก็มาเกิดอีกวกวนเวียนตายอยู่ในเกิดเกิดตายเกิดตายเหมือนกับพวกเราเกิดรักเมืองไทยหลังสิ่ลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ตายเลยตายแล้วก็เกิดขึ้นมาในเมืองไทยยังไงผมขอให้เกิดเมืองไทย เพราะรักอ่ะเขาปกโกงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันพราะเห็นเข า, าโอ้โอโอเห็นแล้วจิ้มแย้มแฉ ม, มใสการสร้างบุญสร้างโคตรจนทำบุญอย่างอาหารอย่างวันนี้แหะที่เราอยู่ในเมืองไทยอย่างนี้หลวงพ่อไปที่นูนกับอาหารเหมือนอินโดเนี่ยลักษณะอย่างนี้แหละคณะจัตตาร์ญาจูายยาจจแปลกเหมือนกันนะอาหารการบริโภคแต่หลวงพ่อพูดทีนี้ทำไมหลวงพ่อจะพูดแต่เรื่องอาหารแต่ตามไม่จริงหลวงพออง่อกับฉันอิ่มท้องเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายเลยอิ่มเดียวท่านน่ะ ถ้าได้มาแล้วแบ่งซ้ายแบ่งขวาแบ่งหน้าแบ่งหลังให้ทั่วถึงกันนะเออเนี่แหละหลวงพ่อมีเพียงแค่นั้นเพราะนั้นแต่เราไปในก่กเอ้ยว่าน้ําใจของพี่น้องประชาชนถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้เราก็มองไม่เห็นเหมือนกันเขาแสดงออกมันอยู่ในใจของใครของเราถ้าเขาแสดงออกว่าเออเ อ, อ, อาหารการบริโภคการอ่อนน้อมถอมอ่อมตนปฏิสันฐานคารวตาในพระสงฆ์ที่ไปมาหาศูนย์ มีน้ำใจเราก็เห็นมองเห็นได้ใช่ไเพราะเขาแสดงออกทางกายวาจานะแต่อยู่ในใจของเขานั้นนะ อ, อ, อีกส่วนหนึ่งนี่เราขอให้พวกเราทุ ก, ท, กท่านนะแต่วันที่28 อ, อ, อาทิตย์สุดท้ายของเดือนหลวงพ่อเขาคงจะอยู่ที่อินโดนีเซียนะพี่น้องลูกหลานคณะสัทธายาจโจงแต่ถึงยังไงก็ช่ว ย, วยกันนะเนอะสวนแสงธรรมของพวกเราหลวงพ่อไม่ได้ปาเดือนสองเดือนก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะะั่นหะช่วยกัน ดูแลค่าใช้ใจ่ายแต่ได้ยินทุกครั้งก็โอบอุ่นอยู่หรอกนะพอเป็นไปได้นะแต่ถึงยังไงทํามีเรื่องเกิดขึ้นอย่างที่คุณชายปํมท่านปารคว่าเนี่ยอยากจะติดกล้องวงจรปิด น, นี่อันนี้ก็เราก็ช่วยช่วยกันอีกมมหนึ่งนี่นะพอในวัดนีไ่ไม่ใช่วัดคุณชายป๋ำคนเดียวนะเป็นของพวกเราพอความปลอดภัยเข้ามาก็เป็นของพวกเราทุกคน น, นี่แหละหลวงพ่อเนี่ย พูดไปนสถานที่ใดลุงพลออยู่สาธารณะเน่าพี่น้องลูกหลานสร้างบุญสร้างกุศลเมื่อทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลน่ะน่ะเอาบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราเห็นไหมไม่ถึงร้อยปีละต่างคนต่างไปเห็นไหมอาจารย์จะเดินกลไปแล้วเโลกเราจะไม่ไปเหรอในหลวงท่านผู้รับผิดชอบประเทศชาติบ้านเมืองพระ อ, องค์ท่านขอนี่สวรรค์คาลายไปแล้วพวกเราล่ะเอจะเดินตามพระ อ, องค์ท่านไปเรื่อยๆอีกเหมือนกัน ก่อนที่จะไปเรามีเงินในกระเป๋าพอหรือยังเงินก็เงินคืออะไรก็ ค, คือบุญกุศลเรามีบุญกุศลเป็นที่อุ่นใจหรื อ, อยังในการที่จะเดินทางต่อไปภายภาคหน้าตายแล้วไม่สูญในหลักของพระพุทธเจ้าในหลักพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าว่าตายแล้วไม่สูญ น, นะตายแล้วเกิดอีกเนาะให้สร้างสั่งสมบุญกุศลเอาไว้จะตั้งอยู่ในความประมาทอากาตัางรู ก, กระตังเส้ยโยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว กรรมชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเมื่อคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเนี่หลวงพ่อเห็นที่ท่านใส่ยู่ในฟอร์มเป็นพระมาขโมยของเน่ยอันนี้ประว่ากรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าในเมื่อเขาเออกไปแล้วก็มันไม่คุ้มค่าเอาไปแล้วก็ยังคิดอยู่ในใจโอ้เราไปขโมยผ้าไปขโมยของของพระ เออโอ้ทําให้ท่านทุกข์ใจขนาดไหนหนอทําไหมเราจึงทําได้ฮนะ่เออมันของใช้ก็ไม่ใช่นิดๆหน่นนยนอยๆท่านเองเออไม่ใช่ว่าจะได้เป็นเป็นร้อยร้อยล้พันพนล้านแนตะ่ทำไมจึงทำเนะี่ยเมื่อทําไปแล้วไม่ใช่ความสนุกใจนะไม่ใช่ความสุขนะเออสุขอยู่สุขในขนาดหนึ่งแต่คิดขึ้นมาก็เสียวากเหมือนกันเดะถ้าตายแล้วตกนรกเนี่ย เราก็คงจะได้ไปอีกนรกอีกห ล, ง, กลงมือนกนันนาที่เราทํากรรมชั่วเนี่ยนี่แหละสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะไอ้พวกเราคิดจะทําอะไรลงไปคิดให้สัก่อนคิดให้ดีสะก่อนคิดดีทําดีพูดดีสะก่อนอกรรมดีที่ลง ท, ที่เราได้กระทํางมันจะตามสนองไปเกิดในภพภูมิใดจะมีแต่ความสุขความเจริญนลูกหลานคณะศรัทธาญาติโยมถ้าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วแล้วกรรมชั่วจะให้ผลเอ ในพบน้ชาตินี้กันน่ะหลบหลบซ่อนซ่นอะไรแต้ไหอกลัวจะเขาจะรู้เขาจะจับข้อคุกเข้าตารางมันจะหาความสุขได้ที่ไหนเพราะคำชั่วเพราะฉะนั้นทําแต่กรรมดีเมื่อทํากรรมดีแล้วไปที่ไหน เ, เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสไปที่ไหนบอกได้เลยว่าข้าไม่ได้ทําความชั่วเสียหาย น, นี่แหละขอให้พวกเราทําแต่คุณงามความดีสิ่งที่มันที่ไม่ดีอย่าทําอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว พวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธบ ร, ร, ริษัทลูกชิ์ของพระพุธทธเจ้าลูกชิ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราควรจะทำดีเท่านั้นนะสิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดที่สิ่งที่มันไม่ดีมันจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังตอนน่อไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พอหลวพ่อพูดยาวนะคณะทาญาทโยงพระเนลูกหลานน้นนองนองทั้งหลายนะเพราะไม่พูดไม่พูดให้ฟังมันก็ไม่จบ แต่ผูได้ฟังนะเออพวกเราก็จะได้รู้บางเรื่องบางสิ่งบางอย่าง